มันไม่มีใครแฉมันไม่มีใครแฉเรามีมีความรู้สึกอย่างเนี้ยมานานนะว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราตอนนี้เราจะมาแฉความจริงให้มันดูมันในที่นี้คือจิต <c oughs> จิตที่ประกอบด้วยความเข้าใจผิดเนี่ยนะมันยังไม่มีใครแฉให้ดูเนะี่ยเราจะแฉให้มันดูตอนดูกายเห็นกายจริงๆนะจะเห็นเลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่ง ที่จิตไปรู้เข้าเวลาดูจิตเวลาดูจิตนะจะเห็นว่าจิตมีราคะบ้างตอนราคะเกิดเนี่ยตอนราคะเกิดอย่างที่บอกแล้วเห็นเห็นหน้าคนนิ่งๆเกิดราคะตอนนั้นไปเห็นนิ่งๆไม่เห็นจิตตอนเห็นจิตคือเห็นว่ามีราคะเกิดขึ้นในจิตตอนมีราคะแล้วเห็นราคะเนี่ยนะเป็นจิตก็ลักษณะขณะที่เกิดราคะคือเห็นหน้าคนนิ่งๆตอนที่มีสติคือเห็นราคะที่เกิดขึ้นในจิต ตอนเห็นราคะเนี่ยนะจะเห็นว่าราคะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดูดูถูกดูอยู่เหมือนที่เมื่อกี้นี้ดูหน้าคุณนิ่งหนึ่งคุณนิ้งหนึ่งก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราแต่เราชอบถ้พอเห็นราคะเห็นราคะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นถ้าเลขทีหลังก็เรียกเป็นราคะเห็นราคะจิตที่เห็นราคะกับราคะคนลขรานกันเข้าใจไหมตอนเนี้ยมันจะแสดงความจริงว่า ในจิตเองก็มีสิ่งประกอบกันอยู่สองอย่า ง, งสิ่งที่เป็นคุณภาพของจิตคือราคะโทสะโมหะกับตัวที่ดูอยู่เฉยๆคือตัวจิตจิตแท้ๆเนี่ยนะที่ดูอยู่ตอนนี้เป็นการที่แฉความจริงให้จิตดูว่าแท้จริงแล้วเนี่ยราคะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่เราเห็นปุ๊บเนี่ยราคะก็ดับแล้วราคะเนี่ยก็มีเหตุให้เกิด คือเห็นหน้าของคนที um, ่เราพอใจดูด like ูร like ูปที่เราพอใจฟังสิ่งที่เราพอใจแล้วเกิดราคะแล้วราคะก็แสดงความจริงว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่ใช่เราบังคับไม่ได้นี่นะจะเห็นอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่เราแม้แต่ตัวที่ขณะรู้ที่เรียกว่าเป็นสติอยากให้มีสตินานมันก็บังคับไม่ได้สติเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วเผลอใหม่ตอนเผลอเผลอได้ยาวกว่าสติตั้งตั้งมากมายเลยสติขึ้นแวบหนึ่งแวบหนึ่งตอนนั้นเองเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรา นี่เรียกว่าแฉแฉความจริงให้จิตดูจิตเมื่อก่อนจะเห็นความจริงในแง่ของสมมติเท่านั้นเองตอนนี้เราจะเอาความจริงในแง่ของปรามัดให้จิตดูให้จิตมันเข้าใจว่าแท้จริงแล้วกายไม่ใช่เราจิตที่ว่าเป็นเราแท้จริงแล้วก็เป็นความสุขความทุกข์บ้างเป็นกิเลสคือราคะโทรสะโมหะบ้างอย่างเงี้ยไม่มีเราเลยในในสิ่งเหล่านี้แม้แต่ตัวที่มีสติก็ดับไปไม่ใช่เรา